ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งให้ผู้อื่นโพรทนาเพราะเข้าใจผิดเพราะใคร่ครวนผิดในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ